บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปพระพุทธคุณบดว่าวิชาเจรณะสำปนโนที่ได้แสดงมาแล้วนั้นในชั้นของการกำหนดระลึกเพื่อเป็นพุทธานุสติเบื้องต้นท่านสอนให้ เริ่มต้นมาจากอิติปิโสภควาคือว่าไปจนจบแต่เมื่อจะระลึกถึงบทนี้ก็ตัดเพียงว่าอิติปิโสภควาวิชาจนะสัมปันโนหรือจะใช้คำว่าวิชาจนะสัมปันโนเฉยๆก็ได้เมื่อบุคคลกำหนดระลึกบริกรรมไปตามนยยแห่งพุทธคุณบทนี้ ความสงบทางจิตก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกับการเจริญอาาปานสติกรรมฐานเมื่อบุคคลกำหนดปินิตพิจารณานนยะแห่งบทว่าวิชาจนะสัมปันโนก็จะเห็นความรอบรู้หรือพระปัญญาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามีความกว้างใหญ่ไพศาล ทงประกอบด้วยสัพพัญญุตญาณคือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงศรัทธาภาษาะก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลสูงขึ้นโดยลำดับเมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วเป็นบาทเป็นฐานรองรับคุณธรรมความดีอย่างอื่นให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นภายในจิตแต่ในชั้นของการน้อมนา เอาพระพุทธคุณบทนี้มาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัตินั้นก็จะพบความจริงว่าวิชาทั้ง8ปประการที่เป็นพระคุณสมบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้ารุ่นแล้วแต่เป็นผลอันเกิดขึ้นจากการสรรุรูของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันบุคคลทั่วไป ที่ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาเหล่านั้นอาจจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้ในระดับหนึ่งคืออย่างข้อวิปัสนาญาณความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งซึ่งหมายถึงความรู้ความเห็นสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้น คือเห็นความจริงตามประไยรลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเมื่อเกี่ยวข้องกับอะไรก็าตามจะเป็นคนสัตว์สิ่งของตลอดถึงโลกธรรมทั้งแปดเช่นว่าได้ประสบโลกธรรมส่วนที่น่าปรารถนาคือได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญและได้ความสุขบุคคลจะต้องรู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นว่า สิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาเพื่อเตรียมกายเตรียมใจให้ยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้น้วยเหตุปัจจัยแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยเวลาประสบกับสิ่งน่าปรารถนา ก็ไม่เพลิดเพลินยินดีในสิ่งเหล่านั้นให้มากแั่เพราะในสิ่งที่น่าปรารถนานั้นอีกภากหนึ่งซึ่งจะต้องเกิดขึ้นไม่โอกาสใดก็โอกาสตรงคือส่วนที่ไม่น่าปรารถนาเช่นว่าได้ลาบก็เสื่อมลาบได้ยศก็เสื่อมยศได้สรรเสริญก็ประสบกันินทาได้สุข ก็อาจจะประสบกับทุกข์ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งแม้การตั้งความหวังอะไรในสิ่งต่างๆก็เหมือนกันบุคคลจะต้องเตรียมใจยอมรับถึงอีกฝากหนึ่งคือความไม่สมหวังเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วบุคคลไม่สามารถบังคับบัญชาควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามที่ตนปรารถนาได้ไปทุกกรณี แต่ในชั้นของความเพียรพยายามเพื่อให้ประสบความสมหวังนั้นก็เป็นเรื่องต้องใช้ความเพียรพยายามไปแต่ไม่ควรจะตั้งความหวังไว้โดยส่วนเดียวว่าจะต้องสำเร็จเพราะบางคราวอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามที่ตนคิดว่าควรจะสำเร็จแต่เมื่อเตรียมใจยอมรับเอาไว้เวลาสมหวังจริงๆ ก็ไม่ดีใจจนเกินไปเวลาไม่สมตามที่หวังก็ไม่เสียใจจนเกินไปแม้แต่ผิดหวังก็จะตั้งหลักเอาไว้ได้ไม่ถึงกับเศร้าโศกเสียใจไปริเวทนาการาคร่ำครวญไปด้วยประการต่างๆเพราะในขณะที่ผิดหวังนั่นเองยังมีอีกภาคหนึ่งคือความสมหวังเช่นเดียวกันการมองโลกมองชีวิตมองสิ่งต่างๆ สองด้านอย่างนี้คือในด้านสมมติก็เป็นเรื่องของสมมติที่บุคคลจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะให้ควรแก่ฐานะในขณะนั้ น, น, นและในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าสิ่งนี้คือเรื่องของสมมติอาจจะเปลี่ยนแปลงแปรปลนไปเมื่อไรเพราะเหตุอะไรก็ได้เพอเปลี่ยนแปลงไปจริงก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียใจคล้ายๆกับว่าการแสดงละคร ของนักแสดงทั้งหลายนั่นเองเวลาสมมติให้แสดงเป็นอะไรแกก็แสดงสมบทสมบาทเรียกว่าตีบทในเรื่องเรื่องเหล่านั้นแตกแต่พอหมดหน้าที dazu, ่หมดบทบาทที่เขากําหนดให้แสดงก็ถือว่าเลิกแล้วต่อกันเวลาจะแสดงใหม่ก็แสดงกันสมบทบาทอีกอย่างนี้เป็นการเคลื่อนไหวชีวิตจิตใจให้เหมาะให้ควรแก่กรณีด้านนั้น จะไม่ต้องฟูขึ้นหรือพุบลงเพราะเรื่องของความสมหวังและความไม่สมบังซึ่งแน่นอนโดยเกินว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลตลอดไปในชั้นของมโนโมิจิคือริษัททางใจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสามารถถอดจิตออกไปหรือว่าพูดภาษาธรรมดาว่าถอดกายทิพย์ออกไปในสถานที่ต่างๆได้ตามปรารถนานั้น ข้อนี้จะเห็นได้ว่าในชั้นหนึ่งบุคคลอาจจะทําได้เช่นเกิดทุกขเวทนาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเสียดแทงร่างกายโรคภัยเหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทรงสอนให้กําหนดพิจิตรพิจารณาอย่างที่สุดกันว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ แต่โรคภัยที่เกิดขึ้นแล้วมีอาการเสียดแทงบ่อนทําลายสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตของบุคคลได้มากเป็นพิเศษนั้นก็เพราะว่าบุคคลไปกำหนดยึดไปกำหนดถือเอาใจเข้าไปผูกพันให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านั้นมากจนเกิดไปเรื่องซึ่งควรจะปื่ปวดน้อยแต่เมื่อปวดทั้งทางกายและใจไปรับเข้าเต็มที่ก็กลายเป็นปวดมากไป แต่ถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวางสอบ้างความปวดเหล่านั้นก็เป็นปวดเฉพาะกายใจคนไม่ไปยอมรับไม่ไปผูกพันไม่ไปกาหนดหมายอาการเหล่านั้นก็จะผ่อนคลายลงแม้แต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายอย่างอื่นก็ทำนองนั้นคือบุคคลจะต้องทำใจให้อยู่เหนือเหตุการณ์เช่นในบางกรณีอย่าเอาใจเข้าไปคลุกกับเหตุการณ์ ครุกกับอารมณ์จนตนเองต้องเดือดร้อนอย่างนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จทางใจระดับหนึ่งกายเดือดร้อนแต่เราไม่เดือดร้อนกายเป็นโรคแต่ว่าใจไม่ยอมเป็นโรคกายกระสรับกระส่ายแต่ว่าใจไม่ยอมกระสรับกระส่ายเมื่อทำได้อย่างนี้บุคคลก็จะเห็นได้ว่าความทุกข์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่บุคคลบางคนรุนแรง แต่เมื่อสามารถยกจิตของตนเองให้อยู่เหนือเหตุการณ์อยู่เหนืออารมณ์บางอย่างได้ความทุกข์เหล่านั้นก็จะบรรเทาบาบางลงไปที่ข้อที่เป็นอิทธิวิธิคือการแสดงฤทธิ์ได้หมายถึงว่าการทำอะไรที่เหนือวิสัยปกติสามัญมนุษย์ที่จะกระทำได้อย่างที่ลอยไปอากาศบนอากาศหรือว่าดาไปในดิน หรือว่าเดินไปบนน้ำเป็นต้นในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าบุคคลน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติได้หลายชั้นด้วยกันชั้นแรกคือทำใจให้เสมอด้วยดินเสมอด้วยน้าไม่แสดงอาการยินดียินร้ายต่ออารมณ์ที่มากระทบให้มากนะักคือดินน้ำจริงๆนั้นไม่มีตั้งความยินดีและความยินร้าย แต่จิตใจของบุคคลยังมีความคิดยังมีอารมณ์จะป้องกันไม่ให้ยินดียินร้ายเลยนั้นในชั้นธรรมดาก็ทำไม่ได้แต่ถ้าหากว่าพยายามฝึกปลือมไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายาครอบครอบกำจจิตใจของบุคคลก็จะอิสระจากอารมณ์สลัดพันธนาการการผูกมัดรรึงของอารมณ์เหล่านั้นไปได้อีกประการหนึ่งก็คือทาความสงบ ด้วยการเพ่งพินิษแบบแก๊สินเพื่อจิตมีความสงบอยู่ที่ดินอยู่ที่น้ำอยู่ที่ลมอยู่ที่ไฟเป็นต้นอีกประการหนึ่งก็คือไม่ให้ความสำคัญแก่เรื่องเหล่านี้จนเกินไปไม่ว่าจะร้อนจัดไปหรือว่าหนาวจัดไปหรือว่าฝนตกมากเป็นต้นให้ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราเกิดอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้จะไปะยอมสยบแก่ทุกอย่างไปยอมแก่ทุกอย่างเราก็เดือดร้อนแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่ให้ความสำคัญไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นใหญ่เกินไปที่เราจะทนไม่ได้ที่เราจะผ่านพ้นไปไม่ได้จิตใจของบุคคลก็จะมีความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้นคมฤทธิ์จึงแปลว่าความสำเร็จซึ่งก็หมายความว่า ใครก็ตามที่สามารถกระทาในสิ่งซึ่งสามัญชนทั่วไปไม่อาจกระทาได้การกระทาเช่นนั้นชื่อว่าอิทธิแปลว่าความสำเร็จอย่างในกรณีที่คนเป็นอันมากไม่สามารถรักษาศีลห้าได้แล้วรักษาได้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จชั้นหนึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจให้สงบอยู่ในอารมณ์ที่ตนต้องการได้ แต่เราควบคุมได้นั่นก็เป็นความสําเร็จในระดับหนึ่งแม้ความเพียรพยายามที่กําลังศึกษาและกําลังปฏิบัติกันอยู่นี้ผู้ศึกษาจะต้องเข้าใจว่าเรานั้นเป็นคนจํานวนน้อยของคนเป็นอันมากที่ต้องไหลไปตามกระแสของตันหากระแสของกิเลสแต่เราทวนสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาได้เราทําใจให้ส ง, งบได้ ควบคุมใจให้อยู่ในศีลในธรรมได้ตามกําลังความสามารถของตนก็ถือว่าเป็นอิทธิเป็นฤทธิเป็นความสําเร็จทางใจและแม้แต่ทางกายการควบคุมกายวาจาของตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่างที่ประพฤติปฏิบัติกันเป็นความสําเร็จเหนือสามัญยมนุษย์ทั่วไปเพราะอะไรเพราะาตามปกติแล้วคนทั่วไปจะไหลไปตามกระแสของกิเลส เราทวนได้เรากควบคุมได้ถือว่าก็เป็นฤทธิ์ในระดับนั้นในข้อต่อไปนั้นก็คือเรื่องของที่ประสมได้แก่การฟังเสียงในที่ไกลได้เหมือนกับเสียงในที่ใกล้อย่างในกรณีนี้ก็หมายความว่าเสียงหรือเรื่องราวต่างๆที่มาจากที่ไกลและจากที่ใกล้นั้น ให้บุคคลพิจารณาให้เห็นว่าก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเสียงเท่านั้นเองเสียงไกลเสียงใกล้ก็เป็นเสียงด้วยกันและเสียงเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเสียงจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ใจของบุคคลไปกำหนดเสียงเหล่านั้นข้อนี้พงเห็นว่าเสียงเสียงเดียวกันเรื่องราวที่บุคคลได้ยินนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ใจของบุคคลไปกำหนดต่อเสียงนั้นไม่เหมือนกันเสียงนั้นอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นได้ไปตามสมควรแก่พื้นฐานทางจิตของคนเหล่านั้นในข้อนี้ท่านได้เล่าถึงสามมณเฑนรูปหนึ่งได้ยินเสียงสตรีร้องเพลงเกิดความกำหนัดในเสียงติดตามสตรีผู้นั้นไปจนถึงกระสืก อ, ออก จากเพศของสมแลนแต่มีภิกษุรูปหนึ่งได้ยินสตรีร้องเพลงเหมือนกันท่านเกิดไปกำหนดพินิจพิจนาเสียงเพลงเหล่านั้นโนม้นมน้อมจิตใจเข้าไปเห็นคล้อยตามไปตามเสียงเพลงเหล่านั้นมองเห็นดอกไม้คือดอกปัวที่สตรีเหล่านั้นกำลังพัณ น, นานดู พอมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วโยงเข้าไปหาสัพพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกระดอกบัวที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งหลายเจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลไปข้อนี้จะเห็นได้ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเสียงสักแต่ว่าเสียงเท่านั้นเอง การที่เสียงเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อจิตใจของบุคคลก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปกำหนดเสียงเหล่านั้นไว้ในฐานะอะไรเสียงอะไรไม่สำคัญเท่ากับเรากำหนดอย่างไรเราพิจารณาเสียงนั้นในฐานะอะไรถ้าหากว่าบุคคลมีสติปัญญาระลึกรู้เท่าทันเสียงเหล่านั้นแล้อาจจะใช้ประโยชน์จากเสียงเหล่านั้นได้ ในแง่ต่างๆอย่างในกรณีของเสียงธรรมะก็กําหนดลึกกําหนดพิจารณาไตรต ong ไปตามกระแสธรรมก็จะได้ปัญญาความรอบรู้ในธรรมในด้านเสียงตําหนิตีเตียนด่าว่าก็ได้ความสํารวมระวังระมัดระวังในกรณีที่เรื่องที่เขาตําหนิด่าว่าเป็นเรื่องจริงก็ระมัดระวังไม่กระทำต่อไป ในกรณีที่เป็นเรื่องไม่จริงก็ระมัดระวังเอาไว้อย่าได้กระทำความผิดเห่านั้นเพราะถ้ากระทำเข้าก็จะมีเสียงกระหานินทามีเสียงตำหนิติเตียนบังเกิดขึ้นในข้อของปุเพนิวาสนุสติยานคือการระลึกชาติก่อนได้นั้นข้อนี้ประเด็นสําคัญไม่จําเป็นจะต้องไปไกลถึงชาติก่อน แต่ว่าการรักระลึกถึงปีก่อนวันก่อนเดือนก่อนให้ได้ว่าในสมัยนั้นในยุคนั้นๆตนเป็นอย่างไรก็พยายามระลึกเอาไว้เป็นอนุสติเตือนใจตนเองเอาไว้และจะมองโลกมองชีวิตในแง่ที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้นคนนี้พึงดูตัวอย่างการกระทําของบุคคลบางคน พยายามกะเกณฑ์ควบคุมคนอื่นให้กระทำให้ประพฤติอย่างที่ตนประพฤติได้อย่างที่ตนทำได้เช่นว่าผู้ใหญ่ต้องการจะให้เด็กกระทำอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่ได้คิดถึงว่าวุฒิภาวะคือความเจริญในด้านต่างๆของเด็กขีด ค, ความสามารถระดับสติปัญญาของแกแกจะทำเรื่องนั้นได้หรือไม่โดยลืมไปว่าสมัยตนเป็นเด็กมีอายุขนาดนี้ ทำอย่างนี้ได้ไหมถ้าเราสมัยนั้นทำไม่ได้ก็ไม่ควรจะตั้งความหวังว่าเด็กทุกคนจะต้องทาได้แน่นอนเด็กบางคนอาจจะทำได้แต่ว่าเด็กบางคนอาจจะทำไม่ได้เมื่อเรานึกย้อนหลังไปได้เช่นนี้ก็จะเข้าใจเด็กดียิ่งขึ้นหรือในกรณีที่เราต้องการจะให้ ผู้ใหญ่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เมื่อเราได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ลองนึกดูว่าความคิดความอ่านของเราในสมัยที่ยังเป็นนักเรียนในสมัยที่เป็นลูกในสมัยที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนอื่นตลอดถึงเป็นหลานของคนอื่นนั้นเราเคยต้องการให้ญาติของเราปฏิบัติต่อเราอย่างไร ต้องการให้ผู้บงังคับบัญชาปฏิบัติตนอย่างไรต้องการให้เพื่อนปฏิบัติตรออย่างไรเป็นต้นเรื่องขั้นของศีลธรรมจัรญานั้นเป็นเรื่องความคิดที่สมเหตุสมผลเป็นเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้จักเรารู้จักเขาปฏิบัติตนให้เหมาะให้ควรแก่ฐานะแก่โอกาสนั้นก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขได้ ม, มีการกระทาที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงแต่โดยภาวะที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรคนมักจะลืมถึงความจริงในอดีตของตนแม้จะระลึกได้ก็ระลึกเฉพาะส่วนที่เห็นว่าตนดีมีความภาคภูมิมาอวดมาแสดงกัน แต่ว่าสิ่งที่ควรยอมรับคว ร, รเผชิญหน้าความจริงคือในด้านความผิดพลาดปกพร่องที่ตนได้ประพฤติกระทำมาในอดีตนั้นใครไม่ค่อยระลึกถึงกันแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ได้เปลี่ยนเช่นนั้นในด้านของบุเพนิวาสานุสยานพระชาติบางประชาติพระองค์มีความบกพร่องผิดพลาดไปบ้างไม่ว่าจะรุนแรงหรือจะเบาบางอย่างไรก็ตามก็จะนำเรื่องเหล่านั้นมาเล่า ให้ภิกษุบ้างชาวบ้านบ้างได้ฟังเป็นการประกอบพินิษพิจารณาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าตราบใดที่คนเรายังอยู่ภายใต้อำนาจของจิตนั้นไม่มีใครเข้าถึงความสมบูรณ์โดยส่วนเดียวความปกพร้องผิดพลาดต่างๆย่อมจะเกิดขึ้นได้โดยสม่งเสมอก็อสำคัญอยู่เพียงว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดบกร่องอะไรขึ้นมา ก็เพียรพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำสองขึ้นหรือว่าซ้สาขึ้นแต่นั้นเองดังนั้นเรื่องของบุพเพนิวาสานสตญาณคือการย้อนระลึกถึงการอดีตของตนภาวะหน้าที่การงานของตนในอดีตแล้วเข้ามาประกอบเรียนรู้เข้าใจบุคคลอื่นในปัจจุบัน ว่าเป็นอุปการะธรรมอย่างสำคัญที่จะช่วยให้วางตนเหมาะควรแก่ฐานะนั้นเป็นทำนองรู้เขารู้เราดังที่กล่าวแล้วข้อต่อไปคือเรื่องของจุตูปปาตยานเห็นความแตกต่างของคนของสัตว์ทั้งหลายว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะอำนาจกับที่คนกระทําไว้ไม่เหมือนกัน ในเมื่อบุคคลต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นเป็นนั้นมากและแม้แต่ตนเองปัญหาบางอย่างที่ตนกำลังประสบอยู่นั้นเมื่อไปหาสาเหตุของปัญหาไม่ได้ก็ต้องนึกถึงว่ากรรมที่เรากระทำเอาไว้นั้นมันมีทั้งอดีตไกลและอดีตใกล้ กรรมในอดีตใกล้ๆคือใ น, ในชาติปัจจุบันนี้แต่เป็นเรื่องปีก่อนโน้นเป็นต้นนั้นบางครั้งเราก็ลืมไปจะปวยกล่าวไปใยถึงอดีตกรรมที่ไกลไปกว่านั้นคือข้ามภพข้ามชาติความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นอาจจะเป็นเรื่องของกรรมที่เป็นอดีตใกล้หรือกรรมที่เป็นอดีตไกลเมื่อไม่อยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้ ก็พยายามใช้สิ่งที่มีอยู่นั่นเองให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หรือว่าในกรณีที่เปียชนคนที่รักของตนประสบความพิบัติความเดือดร้อนเพราะการกระทำชั่วทำผิดทางศีลธรรมหรือกฎหมายก็ตามการกระทำเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ระจักแก่ใจของตนเอง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 ไม่ตกไปสู่อำนาจของอกติคือลำเอียงเพราะรักใคร่กันลำเอียงเพราะไม่ชอบกันลำเอียงเพราะกลัวหรือว่าลำเอียงเพราะหลวงได้อีกความหมายหนึ่งนั้นจุตูปปาตยานท่านเรียกว่าทิพยจั ก, กสุคือตาทิพสามารถที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายในที่ไกลได้ในเรื่องนี้เราอาจจะจับประเด็นในส่วนที่เป็น อนุมานคือการคาดคะเนการคำนวณเอาแน่นอนเรื่องเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่จะต้องเกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่งข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กำหนดพินิจพิจารณาที่เรียกว่าอภินัะปัจเวคณะซึ่งสวดการหลังจากเสร็จนั่งสมาธินัน ความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีความตายก็ดีนั่นเป็นเรื่องยังไม่เกิดถึงแม้จะเกิดในปัจจุบันก็ยังไม่แก่มากมายอะไรแต่แน่นอนโอกาสหนึ่งถ้าชีวิตเรายังดำรงอยู่ความแก่จะต้องเพิ่มขึ้นและความป่วยจะต้องปรากฏขึ้นในที่สุดความตายก็จะมาตัดรอนชีวิตของเราให้ขาดไปมองเห็นไกลไปอย่างนั้น ก็จะเห็นว่าชีวิตของเราในแต่ละวันในแต่ละเวลาได้เดินใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะทุกขณะเพราะฉะนั้นเมื่อความตายยังไม่ปรากฏตัวออกมาเรียแรงความเพียรพยายามสติปัญญาของเราพอที่จะบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์สแสวงหาเกาะแสวงห า, งหาที่พึ่งได้ก็รีบเร่งกระทาบาเพ็ญเอาไว้ และผลที่บุคคลจะพึงเห็นได้ชัดในเรื่องของการมองปัญหาในชีวิตตามความจริงดังที่กล่ามวนี้เวลาเปียชชนคนที่รักล้มหายตายจากไปเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินวันนี้ท่านไม่จากไปพรุ่งนี้ท่านก็ต้องจากไปหรืออาจจะเราอาจจะจากท่านไปก่อน การอยู่ร่วมกันตลอดไปนั้นมีไม่ได้ซึ่งช่วยแก้ปัญหาได้มากมายเหลือเกินชีวิตของคนเรานั้นได้สูญเสียไปเพราะโศกเพราะร่ำไรรำพันเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความคับแค้นใจในกรณีที่เกิดการพัดพลากจากเปรียชนคนที่รักเป็นต้นทรัพย์สมบัติสูญเสียไปความหวังที่ตั้งไว้ไม่สมหวัง ต้องไปอยู่กับคนที่ไม่ปรารถนาจะอยู่เป็นต้นแต่ถ้ามองให้ไกลเอาไว้เตรียมใจเผชิญหน้าความจริงเอาไว้เวลาประสบกับปัญหาเหล่านั้นความเดือดร้อนที่เคยมีก็จะบรรเทาเบาบางลงไปในส่วนที่เป็นอาสวัคยานคือพระยานที่ทำอาสวะให้สิ้นไปอันเป็นวิชาข้อที่8นจะพบว่าอาสวะคืออะไร อาสวะคือสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในจิตจิตใจของบุคคลบุคคลไปเก็บไปกดเอาไว้มีอยู่เก่าบ้างเกิดขึ้นใหม่ในชีวิตปัจจุบันบ้างแล้วเก็บสะสมอยู่ภายในจิตเวลาจะอยู่ภายในบุคคลไปเหนียวไปนึกขึ้นมาก็สร้างความเร่ารรอนกระสับกระส่ายให้บางเกิดขึ้นภายในจิตเวลาออกมาข้างนอก ไปจะควบคุมกายควบคุมบาจาของบุคคลให้กระทําทุจริตผิดกฎหมายไปด้วยประการต่างๆออกมาในรูปของกามาสวะอาสวะคือการความใคร่ความกําหนัดความยินดีในสิ่งต่างๆเพราะวาสวะอาสวะคือพบหมายถึงความปรารถนาะความต้องการมีต้องการเป็นในลักษณะต่างๆตลอดถึงต้องการอุบัติบังเกิดในกติไหนพบที่ เปรียขึ้นไปจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอวิชชาสระอาสวะคืออวิชชาความเคลาไม่รู้จริงในที่บางแห่งใช้เพิ่มคําว่าทิฏฐาสวะเข้าไปก็มีได้ แ, แก่อาสวะคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นในทางที่ผิดก็จะเห็นว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วพวกอาสวะก็คือกิเลส ท, ทั้งหลาย ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามอำนาจตามอาการของกิเลสตอนนั้นในชั้นของการละเด็ดขาดก็อาจจะละได้เด็ดขาดจากแต่อย่าลืมว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเป็นสัญเลขาคือทำหน้าที่ขัดเกลาจิตขัดเกลากิเลสที่บังเกิดขึ้นครอบงําจิตของบุคคลเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับกรรมคุณทั้งหลาย คือเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นบุคคลจะต้องมองสองชั้นเอาไว้คือชั้นที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมกูกติมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายและในชั้นที่เป็นความจริงอย่างแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นมาแท้แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะเท่านั้นเองมาประกอบมาประชุมกันตามเหตุปจัจจัย โอกาสหนึ่งเมื่อปัจจัยเหล่านั้นมาดำรงอยู่ความแตกสลายก็จะต้องปรากฏขึ้น <S <S เมื่อมีการกำหนดพินิษพิจารณาโดยในยะนี้ก็จะช่วยให้บุคคลสัมผัสคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าบทนี้โดยในยะหนึง่งต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป